ถึงจะยังบริโภคกามสุขก็ต้องมีปัญญารักษาอิสระภาพไว้รู้หนทางปลอดภัยจากกามทุกข์อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าตามปกติกามสุขกับความสุขอย่างประนีตนั้นไปด้วยกันไม่ค่อยได้เพราะกามสุขผัวพันอยู่กับอารมณ์ที่ให้ตื่นเต้น ประกอบด้วยความเาร่าร้อนกระวนกระวายหาอารมณ์มาสนองระ ง, งับให้เกิดความสงบส่วนความสุขประนีตเริ่มต้นจากความสงบดังจะเห็นว่าชาณสุขจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงัดจากกรามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายก่อนดังนั้นสำหรับบูตชนการที่จะเสวยทั้งกรารมมาสุขและทั้งได้ความสุขประณีตโดยเฉพาะชาณสุขด้วยจึงเป็นไปได้ยาก เพราะปุถุชนพอใจอะไรแล้วมักติดมักหมกมุ่นลหลงไหลง่ายเมื่อฟุ้งซ่านกระวนกระวายเพลิดไปด้วยแรงปรารถนาการมาสุขแล้วก็ยากที่จะให้สงบเข้าสู่แนวแห่งชาณสุขจึงปรากฏเรื่องราวที่ฤาษีและนักบวชเสื่อมจากฌานเพราะติดใจกามกันบ่อยๆต่อเมื่อเป็นอริยชนอย่างบุคคลโสดาบันจึงจะอยู่กับการมาสุขได้ด้วยดีโดยปลอดภัย ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนย้ำให้รู้จักวางใจอย่างถูกต้องต่อการมสุขให้มีปัญญาที่จะสลัดตัวออกได้ดังท่าทีในการปฏิบัติที่ตรัสไว้ต่อไปนี้ในปาสราสิสูตรท่านเปรียบกรรมคุณเหมือนบ่วงดักของในพรานแล้วกล่าวถึงสมณพราหมณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้สามพวกพวกที่หนึ่งคือสมณพราหมณ์ที่บริโภคกามคุณทั้งห้า โดยมีความติดหลงไหลหมกมุ่นไม่รู้เท่าทันเห็นโทษไม่มีปัญญาพ่าตัวรอดเป็นเหมือนเนื้อป่าที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ย่อมจะประสบความเสื่อมความพินาศถูกพรานทําเอาได้ตามปรารถนาพวกที่สองคือสมณะพราหมณ์ที่บริโภคกรรมคุณห้าโดยไม่ติดไม่หลงไหลไม่หมกมุ่นรู้เท่าทันเห็นโทษมีปัญญาพาตัวรอดได้ เป็นเหมือนเนื้อป่าที่นอนทับบ่วงแต่ตัวไม่ติดบ่วงย่อมจะไม่ประสบความเสื่อมความพินาศไม่ถูกพรานคือมารร้ายทำอะไรเอาตามปรารถนาพวกที่สามคือภิกษุที่สงัดจากกามปลอดจากอากุศลธรรมทั้งหลายได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดจนบรรลุสัญญาเวทิตนิโรธและเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว นั่นคือประสบสุขประณีตสูงสุดแล้วได้ชื่อว่าทำให้มานตาบอดมองไม่เห็นร่องรอยถึงภาวะที่มานมองไม่เห็นเป็นเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่จะเดินจะนั่งจะนอนก็ปลอดโปร่งเบาใจเพราะไม่อยู่ในสายตาของในพรานหมายเหตุเชิงอัดขอย้งความหมายของกรรมคุณห้าว่าไม่ใช่มีขอบเขตแคบ อย่างที่มักเข้าใจกันรูปสวยงามที่บำเรอตาเสียงไพเราะที่บำเรอหูรสอาหารอร่อยที่ถูกลิ้นสัมผัสที่นั่งที่นอนอ่อนนุ่มเป็นต้นที่ปรนเปลกายล้วนเป็นกามาคุณทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่ากามไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางเพศเท่านั้นแต่ครอบคลุมสิ่งที่เสพสวรเพื่ออามิสุขทั้งหมดดังนั้นแม้แต่นักบวช ก็ยังเกี่ยวข้องเสพกามคุณได้ข้อที่ต้องการเน้นในที่นี้ก็คือตามความในสูตรนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเพ่งแต่จะสอนให้ละเลิกความเกี่ยวข้องกับกามคุณไปถ่ายเดียวแต่ทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามคุณอย่างถูกต้องโดยยังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ตกไปเป็นทาสของกามคุณและม่ให้กามคุณกลายเป็นสิ่งก่อโทษทุกข์ภัย การเกี่ยวข้องกับกรรมคุณตามแบบของสมณะพราหม์พวกที่สองนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่พึงเน้นมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปตามวิธีปฏิบัติแบบนี้คำแสดงหลักที่ควรสังเกตเป็นพิเศษคือคำว่าปัญญาผ่าตัวรอดซึ่งแปลจากนิสรณะปัญญาจะแปลว่าปัญญารู้ทางรอดก็ได้หมายถึงปัญญาที่รู้จักทาตนให้เป็นอิสระได้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 หรือคุณค่าที่แท้ของสิ่งเหล่านั้นต่อชีวิตเช่นใช้เครื่องนึ่งห่มเพื่อป้องกันหนาวร้อนแดดลมเหลือบยุงและปกปิดที่อายไม่ใช่มุ่งเพื่อยั่วยวนอวดโก้หรูหราเป็นต้นบริโภคอาหารเพื่ อ, อยังชีพให้ร่างกายมีกำลังอยู่สบายทำกิจได้ด้วยดีมิใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาหรืออวดโก้ฟุ้งเฟอเป็นต้นการรู้จักปฏิบัต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 ว่าเป็นความรู้จักประมาณผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อการมาสุกย่อมก้าวหน้าไปสู่สุขที่พระนีตได้ง่ายขึ้นเมื่อประสบสุขพระณีตแล้วสุขพระณีตนั้นก็กลับเป็นเครื่องช่วยควบคุมการแสวงหาและการเสพการมาสุกให้อยู่ในขอบเขตแห่งความถูกต้องดีงามเพราะบุคคลผู้นั้นเห็นคุณค่าของสุขพระณีตที่สูงกว่าและความสุขประณีษ ต, ต้องอาศัยกุศลธรรม ครั้นบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีกประสบสุขประณีตยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็จะไม่วกเวียนมาหากามาสุขอีกเลย